สิกขาบทที่9เรื่องพระชัพพกี625สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสุชัพฉัีฉันแลบลิ้นพระบัญญัติเพึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่ฉันแลบลิ้นเรื่องพระชัพขีจบสิกขาบทวิพัง